แต่รู้สึกจากนานมาแล้วช่วงสึนามิช่วงสึนามิเพราะว่าพังงานหมุนมาช่วงกลางใจเยอะแต่ว่าไปส่วนมากจะโฟ ก, กัสไปที่บ้านน้ำเชนเขาหลักประมาณนะั้นแล้วมานอนที่พังงาแล้วก็ต่อไปที่ระนองประมาณนะั้นโหคนตายเยอะเนาะคนตายเพราะกำลังกลัวผีอยู่ในช่ว ง, ลลงวนะั้น เขาคิดว่าพระไม่กลัวผีเนาะะเขาลืมไปว่าพระก็เอาคนทําำเปิดแล้วล่ะโอ้ไม่บอกแอ๊ดชัดเลยตอนแรกก็ไปบ้านอ่าอ้อะไรนะชื่ออะไรละอะ เจ็ดใช่ว่าได้เจ็ดต่อไปผมได้มาทุกปีอะทุกปีแต่พวกเราก็ต้องไปวัดทุกปีด้วยนะอัะนนจริงนะต้องเป็นเป็นเป็นวัดด้วยกันไงรัก ว, วัดพวกเรา อหลวงตาวัดตาบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยจะเป็นวัดของทุกคนอเราไปใช้อ่าประโยชน์วัดนวนออนเนี้ยอวัดตาบ่อน้ำพระอินทร์เป็นของทุกคนเป็นสาระประโยชน์ที่เราจะอ่าเอาประโยชน์สําหรับภาวนาสําหรับพัฒนาอ่าพัฒนาทางใจเราอ่าไม่ได้มีอย่างอื่นนอกเหนือจากภาวนาีน่ยวัดตาบ่อน้ํา อ, อินทร์ พรที่นั่นจะมีจะไม่ไม่ได้อยู่รวมกันอย่างเงี้ยถ้าไปอยู่ก็จะมีกุฏิคนละหลังละหลังละหลังเลยอ่าตอนนี้กําลังทําได้ประมาณสองร้อยกว่าหลังนะสองร้ อ, อยใช่ใช่แล้ว เฮ้ยมึงจะเรียกเรียกเรนไอจิ้มเนี่ยออดำหรือเปล่ามึงติดมากกูไม่รู้ออดำอามาเหตุเห็นแ้วกูบอกมาถึงถิ่นไอดำเลย ตอนนี้มึงไปดูนะวัดป่บาบอ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยหลวงตาทำข้าปีที่สามได้กุฏิประมาณสองร้อยตาบางกุฏิสำหรับไม่ชีก็ประมาณ150าร้อยห้าสิบหลวงตาจะทำของพระร้อยหนึ่งของผู้หญิงร้อยหนึ่งโ้ร้อยาสิบคือผู้หญิงเยอ ะ, อ ะ, อะ ผู้หญิงจะเยอะมากที่วันนั้นพระเจ้าอาวาสค่อนข้างฮัตตาดีเฮอะไรหรอเลยเลยเลยเลยโจมเนีเยอะโจมเนียเยอะเยอะมากตอนนี้ก็เป็นร้อยร้อยกว่าแหละถ้ารวมทั้งโยมด้วยผู้หญิงนะที่อยู่วัดะ ที่นั่นจะเป็นที่พัฒนาพัฒนาแต่ไม่ได้พัฒนาวัตถุนะพัฒนาทางจิตทางสตินะนะอ่าอ่าหลวงตาก็จะคอยให้กาลังใจนะคอยให้กำลังใจน ะ, ใ ห, ใ, จนะะให้กำลังใจเคื่อห น, นุนนะเพื่อจะให้พวกเราพัฒนา ไปสูส่ความสงบหรือลดแห่งพระธรรมนะไม่ได้มีอะไรที่นั่นไม่มีพระตาไม่มีกระถิ่นไม่่ไม่ไม่มีการจัดงานไม่มีที่คีรีจองอะไรอย่างเงี้ยคือเราเน้นไปานาาทางเจตนาหาทางคนทุกข์อ่ะไม่มีอย่างอื่นเพราะฉะนั้นหลวตาก็จะอได้หมู่คณะ ใครก็เข้าไปตรงนั้นจะจะมีครอบครัวผู้ฝ่คยธรรมทั้งหมดนะสำหรับการศึกที่นั่นพัฒนาที่นั่นจะพุพัฒนาเรื่องอานาการนสติอย่างเดียวคือดูลมดูความคิดแค่นั้นะเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า ถ้าตัดไว้ดีแล้วสมบูรณ์แล้วเฉียเแต่เราไม่เชื่อพระองค์พวกเราเชื่อความเห็นตัวเองเชื่อความคิดตัวเองจริงไหมถ้าพวกเราปฏิบททัติธรรมต้องปฏิบัติแบบโ ง, ง่โง่คือเชื่อพระองค์เลยอ่าทักสอนอาานาปณติเราก็ดูลงเยวะพ่อเนออี่ยดูแบบโ ง, งโง่จะไปเชื่อความคิดตัวเองไง น, น, นี่ยนี่คือหลักการที่หลวงตาอเคยทํามาอย่างนั้น อคือความทุกขเนี่ยมันเกิดจากความคิดความทุกเนี่ยความคิดเนี่ยพาไปสู่ทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมไปทุกสิ่งทุกอย่างนั่งอยู่คนเดียวก็โกหกได้โกหกตโดยได้ความคิดต้องเปลี่ยนดีๆนะถ้าคิดอยู่ ไม่มีทางสงบฮะไปนั่งอยู่ไหนก็ทุกอยู่ที่นั่นแหละฮะไม่มีอะไรหลอกรวงถึง่ยวกบความคิดของเราเองฮะหลอกไปรักคนนั้นเกลียดคนนี้เห็นไหมลุงจาว่าความคิดเนี่ยคือวัาจากสงสาร ไม่มีทางสิ้นสุดถ้าเราออกจากความคิดได้นะเราก็จะสงบหรือสิ้นสุดแห่งการเดินทางในวัฏสงสารนีหร้หรูอเรียกว่าอัศังคตนะอะอัศังคตก็หมายถึงวิปานเลยไม่ยากถ้าเราเชื่อว่าจะพออ่านะทนีนี้คือที่จะออกจากความคิดก็คือ อ่าเอาติดหรือสติมาสิงอยู่กับลมเนี่ยมาผูกไว้กับลมเนี่ยนะไม่ให้วิ่งไปตามความคิดเอาแยกออกมาจากความคิดพูด ง, ง่ายเราก็จะเห็นว่ามันคิดไม่ใช่เราคิดทีเนี้ยนะดดีๆนะความคิดเนี่ยเราห้ามไม่ได้เห็นไ้ม แต่ว่าเราไม่ได้ไปห้ามความคิดเราเห็นความคิดว่าไม่ใช่เราคิดไม่ใช่เราไปคิดซ้อนคิดนะถ้าเรามาอยู่กับลมเนี่ยความคิดจะเป็นผู้ถูกรู้อ่ะสติจะเป็นผู้รู้เห็นไหมความคิดเนี่ยในภาษาธรรมเรียกว่าสังขาร ความคิดชุกอย่างคือสังขารพูุงแต่งทั้งหมไม่แต่หญิงชายเนี่ยหสังขารพูุงแต่ ง, งนะไมนได้เกิดจากอะไรเลยทุกทุกก็เป็นสังขารปรุงแต่ ง, ง, งถ้าเราออกจากความคิดไอ้ปรุงแต่งเรียกว่าอาสั ง, งกัจ์คือนินพนวิธีก็คือ นี่สติอยู่ในลมเข้าแต่จะอยากให้เห็นผลไวเราใช้ลมยาวลมหยับยาวเยาว้าเข้ายาวออกมานอนก็ได้มัต้องไปนั่งมาเก้าอี้มาก็ได้ขออย่างเดียวเนี่ยให้มีสติอยู่ในลม เพราะว่าการนั่งตรงนี้เขาเรียกนั่งคัตมาดไม่ใช่นั่งเพื่อจะทำสมาธิไม่ได้นั่งสมาธิหรอกแต่พวกเราใช้คําว่านั่งสมาธิที่จริงมันยังไม่เป็นสมาธิหรอกนะหลวงตาเคยพูดว่าพวกเรารักษาศีล น, นะมันก็ไม่สมบูรณ์หรอกถ้าเราขาดสติถึงไหมเพราะฉะนั้นตัวสตินะีนะ่หลคืออ่า เรียกว่าพุทธาก็ได้ทำไมเราตามความคิดไม่ทันรู้ไหมเพราะว่าความคิดมีกำลังมากมายเลยเร็วยิ่งกว่าแสนความคิดแต่ว่ า, าสติเนี่ยถ้าเราจเจริญขึ้นเร็วกว่าความคิดอีก มีกำลังหรือเห็นไหมพระพุทธเจ้าเรียกว่ามหาสติฮะเร็วมากสติเราเนี่ยตอนนี้พวกเรามีสติไหมมีมีสติกันทุกคนแต่ไม่มีกําลังหลงตาอุปมาว่าตอนนี้ความคิดเนี่ยวิ่งร้ยง120อยี่สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สติเราเนี่วิ่งยี่สิบเดียวฮะมันก็เลยไม่ทันถ้ามันร้อยยี่สิบเท่ากันเน่ยนะ นั่นแหละเรียกว่าอภิญญาญาหรือจิตเหจิตก็ได้จิตเห็นจิตก็ได้ความคิดจะเกิดขึ้นได้ยากคือมันจะทชนกันเห็นหรือ่าฮะฮะและความคิดก็จะหยุดเกิดไม่ได้เหมือนกับจ้องเงิน <laughs> อยู่เดี๋ยวแหละฮะตอนจะจะไม่หยุนะตอนนั้นสงครามโลกจะเกิดแล้วฮ <laughs> ะ ปวดหัวยันหนักแล้วจนนั่งสู้กันมันเอาร่างกายไงหรือเรอเวท น, นายันหน่ะเป็นขนามลบร่างกายเราซัด ก, กันนี่ยโอ้ยน่ะหลวงตาเนี่ยนะเจอมาแล้วหลวงตาไม่พูดถึงเรื่องคนอื่นหรอกพูดถึงเรื่องของตัวเองทําไมเพราะว่า้พูดเรื่องคนอื่นไม่ยอมแจ้งหรอกฮ ะ, ะเหมือน พนูคนนี้มันปวดท้องเราก็รู้ว่าปวดท้องไม่รู้ปวดยังไงจร่งไหมแต่ถ้าเราปวดท้องเองอะ่ะนั่นแหละความหมายคือรู้แช่จนมากพวกเราจะไปรู้จักจากคนอื่นไค่รู้จักตัวเองค <c oughs> <c oughs> <c oughs> รับ อ, อ, อาณาปานาสตินเป็นมงกุฎแห่งการผลผล้นทุกข์ ถ้าพวกเราไม่เข้าไปถึงตัวเนี้พวกเราจะไม่เห็นคุณค่าของศาสนาหรอกศาสนาของเราตอนนี้ศาสนาผู้ของเรามาเสีเสียขาเพราะฮเพราะอะไรเพราะพวกเราไม่เข้าใจเรื่องทุกเรื่องศาสนาพวกเราไม่รู้จักทุกความลําบากไม่ใช่ทุกนะ เกิดมาจนเกิดมาอะไรอย่าไม่ใช่ทุกไม่ใชท่ทุกที่พระพุทธเจ้าพูดถึงทุกที่พระพุทธเจ้าพูดถึงก็คือทุกทางใจเกิดจากเวทนาเกิดจากอารมณ์เห็นไหมที่วุ่นวายอยู่ในโลกเราไม่ได้มีอะไรามากมายมีเพียงสองอย่างเท่านั้นคือไปหลงรักและหลงเกลีย ไม่มีอะไรเลอีกินจะเป็นระายเกินจะรักคนอหรอฮะฮะฮหรอเออรักกันจริงไหมนะที่ใจมีรักกีนั่นมีชุกมันก็ไม่เชื่อหรอฮะฮะฮิ่งรักมากมึงก็ยิ่งชุกมากมงใช่ไหมเพราะมึงห่วงเขาเอาเฮะรักงวงลทีนี้ เขาพูดกเจ้าเรียกว่าบ er ่วงะลวตาเนี่ยอยากให้พวกเราเข้าใจเรื่องตัวเองมากกว่าเพราะพวกเราเกิดมาเนี่ยลวตารู้เลยอนาคตทุกคนลวงตารู้หมดเลยจริงๆงเนี่ยรู้เลย ทุกคนนั่งอยู่นี่ตายหมดเลยนิจินคนพูดกระจายนิจินเพาพวกเราเกิดมาตายพวกเราอยากเกิดจะไม่อยากตายมันจะปนไปได้ยังไงฮะมันจะไปหาพบอื่นค่าตือื่นชาติเดียวนี้ก็เป็นหลายอย่างจริงไหมฮะเมื่อก่อนเราเป็นเด็กเนะาะฮะตอนนี้เป็นอะไรบ้างหล่ะฮะ ไ, ไหมแล้วมันจะเข้าใจตัวเองเข้าใจศาสนาได้ไงอ่ะนะศาสนาไม่ใช่ที่จีนะไม่ใช่วัฒนธรรมไม่ใช่ประเพณีนะศาสนาไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของทีไม่ใช่เรื่องของวัดศาสนาเป็นเรื่องของคนอะตัวเนนะี้ยตัวเขาเลย มอเตอรมันไม่มีสื่ไม่มีทำจริงไหมไม่มีสกเก็ตเามันก็ไม่มีเบรกไงมันร์ไม่มีเบรกก็ชนง้วสิฮะไม่รู้ผัวใครเมี่ยใช่ไ ง, งหไหมล่ะแม่แก็นามีผัวอยู่เพอไม่ได้โจ้าแค่ใช่ไงไหมล่ะ แต่พวกเราไม่ยอมรับความจริงฮะเพราะเราโกหกตัวเองมาตลอดเวลาเลยฮะหลวงตาเคยพูดหลายครั้งมากว่าเมื่อสังคม น, นี้ห่างออกจากความจริงมากเท่าไหร่คนที่พูดความจริงก็จะโดนเกลียดมากเท่านั้นโดยเฉพาะหลวงตาฮแต่หลวงตาไม่ได้กลัวโยมโกนหรอกกลัวโยมโง่มากกว่า จริงๆนะฮเพราะหลงตาไม่ได้เดือดร้อนนะหลงกาชิ้นเช่นเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนนะจริงไหมเพราะเราถ้ได้เดือดร้อนเพราะคนไม่มีธรรมเนี่ยฮจิตใจที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเนี่ยมันจะแห้งแล้งมันจะเห็นแก่ตัวเห็นไหมหรือจิตอัตตา เมื่ออาจาพิอมขึ้นมากเท่าไหร่ความเห็นแต่กลุ่กับอาจารมันตัวเดียวกิเลสก็เจอเดียวกันเห็นไหมแล้วจะดูคนยง <c ười> ังไงล่ะฮะเพิ่มไม่ได้แค่นี้ล่ะฮะหลงความคิดมีที่ส่วสิ่งใดฮะ บางคนนี่บอกว่าถ้าหลวงกาไม่คิดเอาอะไรมาพูดฮะหลวงกาว่ามึงแง่ใจนะว่ามึงคิดก่อนพูดฮะมึงเูอสิ่งที่มึงคิดมึงแง่ใจนะมึงกล้าพูดไหมล่ะสิ่งที่มึงคิดอยู่อะไรเงี้ยฮะไม่มีทางหนักที่หนึ่ง วิจารณ์ม no. right? <laughs> ึงค wow. ิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้อ๋มึงกล้าพูดออกไหมอ๋อบามึงตองกับใจจริงกึเปล่ามึงกล้าไหมอ่าโรกแตกเลยมึงมีชีวิตอยู่ไม่ถึงวันหรอกถ้ามึงพูดจริงจินมึงชุดจริงจริงไปเห็นหัวใครก็อูกูอยากเอาหัวนี่เจ๊มึงพูดออกมาเลยเดินไปอยู่กับเมียเนี่ยเอาแน่ไม่เห็นนี โอกูอยากฟังดิเนี่ยมึงพูดออกมาเลยมึงตายเลยนะเลยที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่เลยฮะพวกเราฟังไม่จงกรใช้รกฮะท้กยอมรับนะถ้าถ้าอยากได้ความจริงกนยอมรับความจริงซะก่อ น, น, น, น, น, นจริงไหมอันนี้มึงจะอยกได้ความจริงก็ไม่รอมรับอะ มันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะจะใช้สมการตัวไหนเอาฮะมันคนทําดีทุกวันนี้ฮะทาดีก็ไปด่าคนอื่นฮะไปไล่เบียดเบียนคนอื่นนี่เป็นความดีเหรอความดีต้องไม่เบียดเบียนสิจริงไหมความดีจริงไม่เบียดเบียนนะคือเรียกว่าดีถ้าเบียดเบียนไม่ใช่ดี มันก็เป็นเรื่องยากนะถ้าคนเข้าไม่ถึงอสังขตะเข้าไม่ถึงคำเข้าไม่ถึงศาสนาไม่เห็นคุณค่าของศาสนาไม่เห็นคุณค่าของกุบ า, าจารยนะนะนะ์มันไม่ได้เรื่องง่ายเลยที่หลวงตาต้องมาเนี่ยนะถาไม่ได้เรียนอะ่า แรงศรัทธาของภูเก็ตชาวภูเก็ตลุงสามโอไกลจะตายอะไรใครจะมาฮะจริงไหมถ้าไม่ถ้าไม่รักกันจริงอะไม่มนนไม่ใช่ปากหวานนะเว้ยกูไม่เคยปากหวานจริงไหมล่ะ่นเนี่ยมันพิสูจน์ได้จริงไหมการประคัมโนเท่ามันที่พิสูจน์จริงไหมล่ะเห็นไหมมันเกือร้อยกิโลละมัวฮะจริงไหม นี่คื่อน้ําใจที่มีต่อกันไม่ได้บังเอิญหรอกที่เรามานั่งอยู่นี่จริงไหมหลวงตาบวชมาก็ไม่เคยคิดว่าจะไปรู้จักเครหรอกร้องไห้ทุกวันตอนกูบวชใหม่กูคิดถึงเมียก <c ười> จูจริงจริงมันไม่ได้บวชกับกูเลยไอความคิดกูจะเห็นมันไงฮะจะนั่งอยู่บนเขาที่อดข้าวแล้วก็แล้วอดนอนแล้วลก็แล้วฮะ ร้ อ, องไห้สิโหเลยแหละไม่าอายก็กลัวเห็นความคิดเห็นความวุวนเห็นวุ่นตัวนี้แหละคือเห็นฟุ้งฮ ะ, ะ, ะไม่รู้เขาคิดถึงหรือไม่มีโพลใหม่แล้วก็ไม่รู้ไอเราก็จะเช็นจะตายจริงไหมล่ ะ, ะ, ะ, ะแล้วมันมีจะกูเข้าหน้าแล้วก็ไม่รู้จริงไหมล่ะ พูดถึงนะไอเราเนี่ยไปบวดไปแค่เห็นไหมพุชโทรแล้วเราเอาไม่อยู่ฮะร้องไห้สุดร้องไหยย้หแล้วมันหายมาันกิเป็นพระนั่งร้องไห้อยู่บนเขาคนเดียวไงกูนี่แหละกูไม่ได้อวดเก่งเลยฮะไม่มีวันไหนที่กูไม่ร้องไห้ สึกก็ไม่ได้บวชก็ไม่ได้สึกก็อายคนไงสึกก่อนจะไม่บวชเโอ้โหโม้อยเยอะเข้าใจไหมคำพูดมันก็เป็นนายเราสิจริงั้ยล่ะโอ้พูดคุยโตไวเล ย, เลยใจมันดีไม่ดีทำไมใจว่า น, น, น, นั้นเขาคุยไว้แล้วพอมาภาวนามันไม่เคยสงบความคิดเนี่ยพุ่งขึ้นมา นอนไม่ได <LEY> ้ก <t compression> ินไม่ได้ตอนใหม่ใหม่บวใหม่หม่น้ำหนักแปดสิบเจ็ดต้องการบวนที่สองสามเดือนเ่ยที่สี่สิบกว่านอนขึ้นตัวแล้จะขิบจนกระทังนี่ได้มายกออาเรืองช่งวันขนาดนั้นนะวางวางในสลบทุกสองหน มันทุกไม่นเห็นอะไรไม่รู้มันทุกอะไรเต็มไปได้วยความคิดฮะจนวันที่สิบแปดกุมพานทีห้าเจ็ดฮะเห็นมันมากๆเห็นโทษเห็นโทษของความคิดเห็นโทษของการเกิดเห็นไม เาตัดชินใจทิ้งชีวิตตัวเองขอตายดีกว่าประมาณเวลาหกโมงกว่าของวันที่สิบแปดปีห้าเจ็ดตายเลยทิ้งเลยดลับลงหมดลมเนี่ยตายเลยอาจารย์เนี่ยมาจับตัวเขย่าทิ่ซ้ายทิ่ขวาเราดูลมดูที่หน้าจรเปิดมา่านตาเขาก็ลงมันสีว่าตายแล้ว เขาก็โทรไปหาญาติโยมที่น้องอะไรเงี้ยแล้วโทรให้ไปแจ้งตำหวดเอาตำรวจมาชนะสูตรศพะดีเขาไม่สิเขาไมารีนกลัวจริงจริงตายไปถึงวันที่สิบเก้าะประมาณหกหรือเจ็ดมงกว่าเนี่ยก็เริ่มขยับมือแล้วก็เดินออกมาหายหมดเลย ไม่คิดถึงใครเลยความคิดไม่มีเลยที่มาของพระชินคิดก็คืออาจารย์นี่แหละเป็นคนว่าคื อ, อ, อพระ อ, องค์นี้มันเออเลอมันปัญญาอ่อนมันชินคิดกูนั่งเฉยอยู่เฉกู ค, คิดอะไรไม่ได้ตั้าแต่นั้นมากูก็เลยเออกูคิน ค, คิดจริงๆแต่เราก็ยังไม่แน่ใจ ว่าเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยกราบลาอาจารย์เข้าไปอยู่ในป่าอีกสามสีป่ปีเพื่อจะเรียนรู้อาณาปนสิกเรียนรู้จักรวาสตตัวนี้จนแน่ใจว่าดับสนิททุกสิ่งทุกอย่างนะอะไเราในชีวิตเนี่ยค่อยเข้ามา เข้ามาตอนนั้นเ้ายังไม่บน่นเขาก็เลยจับโทรศัพท์อ่ไล่สดนะครั้งแรกเขาไปถามเราถามลุงตาไปคุยกันก็เลยอ่ะคุยกันไล่สดกับไล่ส ด, สดมีคนดูอยู่ต้อทั้งคนนะไม่ได้เจตนาจะมาไล่สดอย่างนี้เลยนะแล้วมันมา เสานึ่มันก็ไปชี้หนึ่งมันก็ไปจับไล่อย่างเงี้ยไม่มีขาตั้งกล้องอยังไม่มีเลยจังการเพื่อ <c oughs> เป็นประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยกับเพื่อนมันสับญาติมันอย่างเงี้ยที่อยู่กรุงเทพเอาไปเอามาคนฟังอ่าเริอมอร่มเขามาฟังเยอะคอมเมนต์นี่ประมาณ 95% ด่าอย่างเดียว <c oughs> นี่สองเปอเ็นท่านั้นที่ฝาบผู้ <laughs> ่บาคนก็บอกถ้าอะไรพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่สํารวมแล้วอะไรคือคำว่าสํารวมอ่ะฮะคนที่สํารวมกับดา ค, คนอื่นอยู่จริงไหมมันยังไม่รู้ตัวมันเองนะ เห็ไหมทีหน้าด่าจากคนอื่นมันบอมันสำรวงนี่คือมนุษย์นัาเป็นเรื่องธรรมดาถ้าจะด่ายังไงหลวงตาก็าพูดอยู่เหมือนเดิมแหละรู้สึกว่าหลวงตา ก, ก็เลย ว, ว่ากูเนี่ยเป็นพระที่หน้าด้าง น, นี่อายใครจริงไล่เกียดไล่ศักดิ์ศรีก็กูเนี่ยไล่สาละด้วยกว่าไงฮะอ๋อเก็เรื่องจริงอะเนาะ หลวงตาไม่มีอะไรจะเสียพอ่อหลวงตาไม่มีจริงนี่อะไรเสียหายหรอกเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยนม่ไ ม, มีมาได้มาเอาอะไรจริงไหม่มาออกจากการเป็นการมีจริงไหมไรเกียรติไรศัศรีไรอนาคตสิ้นหวังจริงไหมล่ะสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างอะ เห็นไหมถึงเกิดประโยชน์สิภายในสามปีเองนะกูเริ่มยุ่งยากแล้วเพราะอะไรสุดเหี้ยคนไปเยอะเห็นไหมสอง้อยกว่าคนแล้วแค่สามปีนะเห็นั้ยตางคนตามฝึกฝนไปชั่วทุกภาพเห็นไหมเราก็บอกมึงเรา ต้องไปลองดูเถิดนะเราชาววัดตาบอกน้ำพระอิน์ยินดีจอดรับไม่ว่าท่านจะเป็นใครนะอย่ามัวพูดตำหนิอยู่เลยนะหลงจาจะบวชให้ฟรีด้วยนะไปลองดูฮะแล้วก็บอกพื่ปฏิบัตินือการสืบทอดศาสนาถ้ามีคุณสมบุกคุณที่จะไปบวชไปสุกไปหัดไปขัดไปเกา นั t ạo t ạo ่นแหละคือความเจริญงอกงามของศาสนาไม่ใช่ไปโจมตีกันหรอกฮะนะใครจะดีจะชั่วเรื่องของเขาฮะจริงไหมคือคนส่วนมากที่ยังไม่เคยบวชหรือเข้าใจว่าการบวชคืออะไรคืออ่า คือคนที่ยังไม่เคยบวชถ้าลงตาปัจจุบันส่วนมากเขาจะเข้าใจว่าการที่เป็บวชเป็นพระเนี่ยห่งสบายสองมีรวยก็ได<อ>้เขาจะมีความเห็นกันีีเยอะถ้าถ้าบวชแล้วมันสบายแล้ว<น>มึงไม่อยากสบายเนีไยฮะมึงรีบไปฮะฮะอยากสบายไหมไปบวชนะฮะ แล้วมอยากโวยเอบวรวยแล้วมึงเอามึงทงานทุกวันนี่พ่ออยากรวยไม่ใช่เหรอบวชิฮะฮะแล้วแล้วใครห้ามอ่ะฮะฮะหรือรือไม่อยากสบายกันฮะไไหมฮะไลองดูไหมสบายจริงหรือเปล่าฮะจริงเข้ามือเดียวอ มึงลองดูมึงเชื่อไม่ทุกทืก่ทนไดยาคืออะไรคือการขัดใจฮะขัดใจนะั่นคือขัดกิเลสใจมึงอะไรแหลคือกิเลสมึงลองไปขัดใจมึงดูนะฮะนี่เห็น่อใส่ลงท้าวอะไรนะเนี่ยฮะ ทิอถกเรืร่ยออกูไม่รู้ฮะฮะบอกโอ้ยฮะท่านู้สิแทนมากกว่ามันมันจะแทนไดหมกูไม่มค้อือฮะฮ ะ, ะแะเขาก็เอาของมาสวัยพ้าเขาก็อยากให้ใส่ดีๆจริงไหมแม่จะเาลงเท้าขาดเอาฟามผูกมาสาวยก้ไม่เอาฮ่ไม่เอาฮมันต้องเกินไปเลยนะ เห็นไหมคนเราอะ่ะน ะ, น ะ, น ะ, นะมึงเชื่อไหมครูบาอาจารย์เดินทางไกลๆมึงเช่อไหมลงจาาเนี่ยนั่งนอนอยู่บนรถอ่ะลงมาก็ต้องมานั่งคุยฮะนะเดี๋นั้นเนี่ยได้นอนคืนแต่ถ้าบางทีเนี่ยลงจากรถก็ขึ้นมาพูดเหมือนกูไปสแสดงคอนเถิรเลยลงจากรถก็ขึ้นเวเชีลงจากเอเชียก็ขึ้นรถ แล้วมึงจะไปนั่งรถเก๋งมึงลองดูนะมึงจะได้สักกี่น้าบางทีเสียงกูไม่มีต้องใช้โซนเยาะพ้นนะสอนเรื่องเลยเี่ออกมาต้งแต่วันที่ยี่ิหกอะที่รูะบางทีแสดงสามรอบไปกลัวจริงไหมล่ะแล้วคนก็มาแบบ อ่ไม่พร้อมกันนะจริงไหมมันทยอยมา ก, ก็เล่นกูสมัครสบองสิแล้วกูามาไกลๆอ่ะมึงชิดอยูจเจ่เราจะใจดามบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยพบได้ไหมจริงไหมแล้วก็อเอาบางทีกูเนี่ยลืมจารึกขึ้นอยู่เนี้ยจริงไหมล่ะก็เพราะ อ, อะไรล่ะเพราะให้กำลังใจกัน แตงเงนเดือนกูก็ไม่มีจริงไหมข้าวของเลี้ยงกูมือเดียวถ้ากูกินกูกับขาตอนนี้มึงคิดว่าจะเป็นยังไงมันก็กูดเอาเสียผ้าเดินไปแล้วเมื่อลองรู้กูบอกแล้วเงจริงไหมมึงลองรู้นะเนี่ยรงพูเนี่ ย, ยมึงลองมา ลองเหียยกับตัวเนี้ยลองดูเหมือ น, นกูนจะร้องไห้จริงไหมมาลองดูมันนีที่พลกับกูบ้านจริงๆกูรู้ดีโอ้โหนั่งหลับตามันลอยมากูจนลืมตายว่เห็นภาพมันไอ้ย่างดูหลับตาตัวเนี้ยลองดูสิ หลับตาดูบ้านตัวเองสิไม่หลับก็ได้แล้วลึถึงบ้านตัวเองมึงเห็น t ู้เย็นไหอะไรอยู่ในตู้เย็นมึงเห็นไหมิตมันได้ไหมมึงเห็นไหมความคิดอ่ะฮะแล้วถ้ามึงกระลึกถึงเนี่ยมึงใส่ฮะมันจะใส่ผ้าไหมมึงคิดว่าฮะมึงไม่เห็นนะ โ อ, โอ้ไฟไปยรงงนเห็นหมดเลยใช่ไหมล่ะมันจะเห็นโทษของความคิดมามันจะสร้ า, ามภาพขึ้นมาเรียกว่ามนโนภาพ่ะไม่ใช่กายเห็นโรกอย่างเดียวนะขนาดกูนั่งอยู่บนทัางสองปีเนี่ยหนังเอวยังเต็มหัวกูเลยจริงจมึงจะเห็นโทษของความคิดก็ตรงนั้นแหละ มึงไม่ต้องมีตากับทบนหูได้ยินเสียงหรอกมันสร้างขึ้นมาได้นั่นแหละถึงเรียกว่ามานที่มีฤทธิ์คือความคิดของเราเองเห็นไหมเพราะว่าตาเห็นลูกน่เอาคนตาบอดใจกาเนิดเนี่ยเอาฮะมันไม่เคยเห็นว่าเป็นสวยว่าหลเนี่ยฮะแล้วมันทำไมมีรูกก็ได้อะฮะมันทำไมคำถูกอ่ะฮะ ตำแหน่งนี้ก็หม่เอเข้าใจไหมละ่ะเพราะงั้นการพูดธรรมะเนี่ยการบางยาธรรมะลูกตาถึงอนุปอะอุปมาให้ฟังเหมือนกับเราเลยพูดความสวยงามของธรรมชาติให้คนตาบอดแต่กำเมิอฟังได้จะคิดเอาจินตนาการเอาฮะ พยายามอธิบายคนตาบอดว่านี่แหละนี่นสีเขียวคุณจะบอกว่าสีเขียวมันตัวยังไงถ้ามึงรักษาตาไม่ได้เมื่อไหร่นะมึงไม่ต้องไป็นพวกสีเขียวสีแดงมันรู้จริงไหมนั่นแหละเพราะฉน้นตาเนี่หมายถึงขาายเข้าใจมันบอดแล้วมันมองไม่เห็นอะไรหรอกเข้าใจไหมมันก็จะหอเห็นแต่ความผิดความดีของคนอื่นมันไม่มีหรอกนะเขาเรียกว่ามีอคติ ใจชี้เต็นเรื่องอหังใฮะใช่ไหมเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยถึงฝึกวัดป่าบออน้ํำพยินบอกถ้าจะไปอยู่วัดปาบออน้ําำพยินไม่เห็นฝึกไม่เห็นทำความเพียรเลยมึงไปดูเลยนมึงจะไปทํายังไงความเพียรมจะมองเห็นยังไงถ้าดูเลยจริงมันดูลมนั่งอยู่ไหนก็ดูลมจริงไหะไม่ใช่ไปเดินตรงกลม มันจะเงินจมขาขาดไปข้างหนึ่งของข้างมันก็ไม่มีความหมายแล้วมันขาดสติจริงไหมเพราะเจสตินี่แหละนะสำคัญที่สุดเขาคึกสตินะเอาสติมาเแนบอยู่ในลมหายใจใจเขาออกแค่นั้นทุกกิริยาบท น, นะเพราะศีลธรรมนี่สํารวมกายวาจาใจ เชื่อไหมว่าถึ่งจะบวชก็ตามะไอ้ซือชุดขาวก็ตามอเราก็ศีลของบุญชนเนี่ยก็รักษาได้จากกายกวาจาจริงไหมแต่ใจหรือมโนงก ร, รมไม่มีทางถ้ามึงไม่มีสมาธิมันไม่มีศีล ห, หรอกนั่งอยู่ในวัดเนี่ยมันก็ไปคิดถึงเงี้ยชาวบ้านขังชาวบ้านเขาจริงไหมมึงจะมีศีลไหมล่ะฮะอ่ะอะ มันจะสังรวมยังไงก็ตามมันไม่อยู่วัดกับมึงหรอกฮะเพราะฉะนั้นสีนที่แท้จริงต้องเกิดจากสมาธิเพราะว่าสมาธิมันรวมโมาสียถ้าใจมึงมนโนกรรมไม่สร้างมันหยุดเนี่ยจริงไหมมันก็จะมีสีนหรือเรียกว่าอีิสีนขึ้นในตัวเห็นไหม ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีสมถะอิปัตนาเกิดขึ้นไม่ได้หรอกฮะนะถ้าไปนั่งคิดเอาแล้วเขาเรียกปัญญาอ่อนทำไมถึงเรียกปัญญาอ่อนคือปัญญาไม่มีกําลังต้องมีสมาถะในตัวหนุนคือสมาธิฮนะนั่นแหลเรียกว่าศี่นสมาธิปัญญาถึงจะเกิดนะ ค่อยจะเกิดปัญญาที่แท้จริงไม่ใช่เป็นนั่งคิดเอาเพราะความคิดอยู่และนะเป็นตัวทำกั้นทุกสิ่งทุกอย่างออโอ้ไถ่สามเครื่องเลยเหรอนี่คนดูบ้างไหมฮะร้อยเก้าสิบ บางคนก็ถามวนะ่าทำไมหลวงตาสูบยา ก, กูกูติดย า, ามันติดกูจะสูงทาไมจริงไหมอาวทำไมคุณสูกยาทำไมไม่เลิกอ๋ยกูเลิกมาหลายหนแล้วมันเลิกไม่ยากหรอกจริงมมันจะยุ่งอะไรกับกูปวดก็ปวดกูฮะจริงไหมมันชั่วแล้วหาหรืสูบยาเนี่ยเป็นข้ากันตายพวกนั้นไม่สูบยาเลยนะ จริงไหมล่ะเห็นไหมเมือ่อ ก, ก, าา ก, ก่อนเนี่ยไจหาเนี่ยเหาคนแก่คนเฒ่าสมัยก่อนมันมีขันมากขันผูจริงไหม mm hmm. กันยาฮะคุดว่า น, นี้โอ้สูบยาเนี่น่าห น, า ล, นาลณลงกันยังนาทำไมไม่ไม่ลนละลงมันทำความชั่วมันวะฮะฮะ มันเป็นพัฒนาอะไรกันกูว่าไม่พัฒนานะพอสอนี็ยังไม่พัฒนายังกินขี้กัน อ, อยู่เลยเห็นพระบิดามโอ้โหกูไม่เคยกูคเคยเจอกนูนึกว่ายุค 5G แล้วะเห็นไหมเพราะเราไม่เคยพัฒนาอะไรเลยลุงตาพูดย้ำอยู่ไ่อยุว่ายุคปัจจุบันเนี่ยกับยุกคหินยุคไหนใจก็เหมือนกันนะั่นแหละมนุษย์ไม่มีเรื่องอื่นเลย ทำเฉลี่ยเดิมเดิมนี่แหละสื่อมาก็ทำมาหากินก็ผสมพันธุ์ท่านอย่างเงี้ยแล้วก็ตายต้องตายเพราะเกิดมาตายเน่นะไม่ใช่จริงหรอฮะไม่ได้ทำเงินหรอกฮะไม่ได้ทำธุระเลยทำเหมือนเดิมทำซ้ำๆอยู่เนี่ยแต่เมียคนอื่นก็ไม่ทำมาเลยนี่ย ไม่ได้ทำอย่างเียวไม่ช่กุศลก็ทำกันนานๆแล้วตั้งแต่สมัยไหนหตั้งแต่มีมนุษย์อุบัติขึ้นจริงไหมทำมาให้กิแล้วก็ผสมพันธุ์ทั้งอย่างนี้เห็นไมไม่มีเรื่องใหม่หรอกทำมากเหมือนกันไม่มีเรื่องใหม่หรอกโลกนี้ไม่ใหม่หรอกเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นนะไม่เบื่อมั่งเ่อฮะรวยกันนั่งหนาใช่ไหมฮะบา ง, งคนกูว่าทำมาตั้งสต่หลับชีวิตกูว่ามีเจ น, นี่นะฮะผู้ถามหน่อยรวยๆไงมึงไม่ชุกบ้างอะ่ะ ว่าคนรวยก็ชุกแบบคนรวยคนจนก็ชุกแบบคนจนคนดีก็ชุกแบบคนดีคนชั่วก็ชุกแบบคนชั่ว <c ười> ถ้าคนไม่ดีไม่ชั่วเันไม่ทุกเพราะไม่มีคนรู้ไหมทํายังไงเนอะจะไม่มีคนฮะฮะ ไม่ทุกเกิดแก่เจ็บตายต้องมีคนเกิดคนแก่ก็เจ็บคนตายจริงไหมที่ภาษาคนคนเกิดแต่ภาษาธรรมไม่ใช่อย่างนี้นะเกิดเพราะความคิดหรือปัจจิตสมุบาติเกิดในทุกขณะเห็นไหมเกิดพบเกิดชาติเกิดเรื่องดีไม่ดีนะนี่ภาษาธรรมการเกิดเกิดแบบนี้ถ้าไม่คิดอ่ะถ้าไม่พุ้งไม่แจงอ่ะ ฮะไม่เกิดเธอเหรอโอ้คนสบายเลยจี๋เหรอฮะเห็นการไม่เกิดตั้แต่ยังไม่ตา ย, ยนะ่ะเห็นไหมท้าเห็นแบบไหนล่ะทําไมรู้ว่าพระชาติไม่มีอ่ะท่านเห็นลยก็ไม่คิดตึงแคร่งไนงะยังว่าจะคิดเลยอยากคิดยังคิดไม่ได้เลยฮะแล้วก็ไม่เป็นอะไรด้วย จริงไหมเพราะมีอะไรจะเป็นก็มันไม่พุงอะ่ะมันจะเป็นอะไรได้จริงไหมอยากเป็นเลยทหารพระสศรบันเป็นอะไรก็ทุกขอย่างนั้นเลยก็เป็นอยู่จริงไหมสิ้นอย่างความเป็นความมีความเป็นนั่นแหละเรียกว่าว่างจากความพุงแฉ่งว่างจากตัวตนนี่แหละว่างจากเจตนาว่างจากอ่าพุงแฉ่ง ว่างเนี่ยว่างแบบนี้ไม่ได้ว่างไปนั่งหลําตาเข้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะนี่เรียกว่าวิาวาสังขารนิพันเห็นไหมสังขารอย่างวิสังขารไม่คุงแรงอสังขารก็นวินิพันก็ไม่ฟุ้งแรงนะเรียกว่าวินิพันก็ได้หรือจะตั้งชื่ อ, อยังไงก็ได้ ไม่ตั้งก็ไม่เป็นไรไม่ได้มีความหมายอะไรเลยคับถ้าเข้าไปถึงตัวนี้แต่วิธีที่จะเข้าถึงด้วยอาณ า, าปานัตสติเท่านั้นหลจงากราบพูดเลยเพราะพระองค์ก็รับรองอยู่แล้วสะตากขตัสรูด้วยอาณาปานัตสติเห็นไหมวิหารธรรมของพระ อ, อริยเจ้าก็คือ อาณาปณสติวิหาระเพราะวิหารที่อยู่ไงแล้วจมัวทำสมาจมัวอยู่ทำไมอ่ะฮะจริงไห ม, ไมก็กลับไปบ้านดูไหนก็ดไก ด, ไดไ้ดูลมหายใจทำงานไปด้วยเห็นไหมฮะไม่ได้เห็นีรูปแบบเลยฮะ นอนจนหลับไปดูลมจนหลับสุนขึ้นมาก็ดูหน่อยก็ไปทํางานทํางานไม่เยอะมากกว่าไปซ้ําไปฮะจนกระสุที่สุดหรอเขาใจบวมมันอยู่ไม่ได้หรอถัาถึงตรงนั้นแล้่อยู่ทําไมอ่ะจริงไหมไม่มีเจ้าผู่เจ้เมียอะหรอดูขวามโลภคขาทำไมจริงไหมล่ะถึงตรงนั้นแล้วมันรู้กันเองนั่นแหละนะ มันไม่ได้เลือกหรอกว่าเป็นภาสเป็นโยมภาสเนี่ยจริงไหมมาบวชเนี่ยทาความชั่วกันเยอะแยะจริงไหมฮ ะ, ฮะเพราะฉะนั้นการฝึกอาณาปนสิ่ไม่ได้เกี่ยวเลยเด็กๆ ก, ก็หายใจเป็นจริงไหมเพราะฉะนั้นแค่อธิติมาดูลมมนันหรอฮ ะ, ฮะมาครั้งนี้ก็ขอ ให้กำลังใจถือว่าหลวงตาเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมกันแก่เจ็บใจกันน้อเป็นญาติกันนะหลวงตาเนี่ยนะอ่ะก็ะจะอยู่ใต้อีกหลายวันอยู่เนาะกี่วันเนี่ยคือถึงวันที่14ครับเห็นไหมก่อนแรกก็เจอกับอีดำนะ ยำเคยไปวัดอย่างโนดําเนาะแล้วตอนนี้ไปทาไมวะมึงไม่ไปฮะไม่ทราบขนาดมึงยังไม่ทราบแล้วกูจะทราบได้ยังไงฮะโอ้โหว่ามันเออเลอร์แล้วล่ะีนี้ก็ฮะอะ นางร้อยวันเลยนั่นมนเนี่ยไปวัดจนหัวหงอไว้ยังไม่มีสีเลยสิเพราะมันไม่รู้จักเงาดะสีมไม่ได้ไปขวากผ้าหรอกเมื่อไหร่เราไม่ทาชั่วมันก็มีสีนไงจำไว้ถ้าอยู่วัดไม่ใช่วังจะมีสีที่ทำชั่วยิ่แยะจริงไหม ถ้าในหมายถึงถ้าโสดมันทีกันนะอันนี้เป็นข้อมูลที่สองอยู่ผมรู้น น, นี่ก็หลอกเก่งนะคุยว่าให้อย่าเชื่อแล้วกูก็เหมือนกันจร啊啊啊啊啊ิงไหมนะเพราะนั้นพระเจ้า ก, ก็บอกอย่าพึ่งเชื่อฮะอย่าไปเชื่อไว้นะเนาะให้พิสูจนให้ทำนะนั่นแหละอย่าเชื่อ อย่าพึงเชื่อแม้จะมีในตำราในจิตอย่าพึงเชื่อแม้แต่มันเป็นครูของเราอย่าเพึงเชื่อแม้แต่เขาเล่าสืบๆกันมาเห็นไหมกัลยาณมศุลเนาะเพราะฉะนั้นเชื่อไวเกินไปมันก็จะได้กินพี่กินเดียวกันเหมือนกันควันนี้ก็ขออวันนี้ไม่คุยใครถามเลยเนาะไม่ถามทำไมไม่ถามหรอวะถามเดยวครับนะถามอ่ะคุณวาชินีบอกว่า พกผู้รู้แล้วสตกใจทำไงต่อค ะ, ใ ค, อะใครเป็นผู้ผผรู้ฮะฮะใครเป็นผู้พบผู้รู้อ่ะฮะใครเป็นผู้พบผู้รู้เนี่ยเหมือนกับเราเห็นมันสงบเห็นมันเกิดขึ้นสงบใครจะเห็นนกัความส ง, งบอ่ะฮะสงบ ใครอะแล้วทำไมไม้อยู่กับผู้รู้เราไม่อยู่กับผู้รู้เราทำไมฮะเนี่ยทำไมเห็นผู้รู้ใครป็คนเห็นผู้รู้ล่ะอ่ะตราผู้รู้ที่จะ้จริงก็จะเห็นเท่าั้นจริงที่ดูเห็นไม่ใช่ผู้รู้แต่จริงที่ดูรู้มึงอยู่กับผู้รู้เดี๋ยวนี้สติเดี่ยวน้แต่รู้สิ่งที่เห็นอยู่นะไม่ใช่ผู้รู้หรอก ฮะยางโง่ฮะเหมือนความสุขเนี้ยใครเราจะเห็นว่าความสุขอ่ะใครเราจะเห็นว่าทุกทุกสุขก็ไม่ใช่เราก็จริงไหมล่ะแต่เราว่าเราสุขเราทุกข์นี่จริมันแย่ตรงเนี้ยฮะคุณวชัชรีเขาคอมเมนต์เพิ่มครับ อมันไม่เป็นใครเลยค่าจิตหยิบดวงข่าไม่เข้าใจเลยถามข่าหลวงต า, าอ๋าอแล้วกูก็พูดถึงว่ากูก็ไม่ได้ว่ามึงหรอก <c oughs> ไม่ได้ว่านะว่าทีนีห <c oughs> ลวงตาไม่รู้คาดไถ่อยู่แล้วแต่หลวงตาว่าว่าทําไมไม่อยู่กับผูร้รู้มันจะมีจิตหยิกดวงได้ยังไงนะทาไมมันเยอะจังจิตอ่ะมันเป็นดวงเป็นดวงมันไม่ใช่เคลื่อน ก็มีรวมเดียวนี่แหละถึงเปะนั้นเรเรียกว่าเอะตาอยู่กับผู้รู้แต่ผู้รู้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นตัวเรานะรู้เฉยเฉยอยากเข้าว่าเรารู้นี่ถ้าเรารู้เมื่อไหร่มึงก็กลายเป็นผู้รู้มึงก็เป็นผู้หลงรู้นั่นเองฮ ะ, ะรู้นี่ก็ไม่ใช่เราฮะรู้เฉยเฉยรู้เฉยฉอะไรเกิดขึ้นก็เห็นเห็นเงี้นเงเรากลับมาอยู่กับลมอยู่กับลม ออยู่ในฐานฐานเ็นที่ตั้งที่ไม่กรรมฐานที่ตั้งของกรรมของการกระทำเราลม<ส>เราอยู่ในลมอยู่ในฐานของลมเนี่ยเราก็เห็นความคิดผุดผ่านผุดผ่านจริงไหมเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยแม้แต่เวทนาทั้งสามเนี่ยสุขทุกข์เนี่ยสุขเวทนา ส, สุขเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์สามอย่างนี้ก็เห็นแค่มันเกิดขึ้นตั้ ง, งอยู่มาจากไปนั่นแหลเขาเรียกว่าเห็นไใจแล้วไม่ใช่เราะ สิงทุกกขึ้นอ่ะมึงอยู่นานๆมึงอย่าหายนะมึงโกรธมึงเน่ยอมึงบอกมาเลยมึงเกิดขึ้นมามึงอย่าหานะมึงอยู่กูนานสักตีนึงวะเียมันก็หายเข่าไหมเพราะพวกนี้ไม่เที่ยงกันแค่ลงฮะ อืมอืมก็มมาธรรมดาอันนี้ธรรมดาอันนี้หลวงตามนี่ว่านะเป็นธรมรมดามากคนทั้งโลกเขาคิดเก่งอนะยเนี้ยใช่มันอลุงตามพูดว่าความคิดก็คือจิตอันนี้เขาบางคนก็เสียงว่าความคิดไม่ใช่จิตก็ ม, มีแล้วอาจารย์มึงส่งจิตหรือว่ามึงส่งทางเคอรีไงนะ ฮะถ้ามึงไม่คิดไปเกลียดคนนั้นชังคนนี้เลยฮะฮะอ ะ, อะไรอะที่เรียกว่าติตจิตความคิดเนี่ยเรียกว่าจิตสังขารเป็นจิตอีตัวหนึ่งจิตที่มาอยู่กับสติ เ, เรียกว่าจิตตัวหนึ่งเป็นจิตของผุช้ช้าฮะ มีมีนะ่ะแต่เราไม่ดูฮะครูบาอาจารย์แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ตามวิชาหยุดคิดเนี่ยทำจะไม่ให้คิดเน่ยพระพุทธเจ้าก็บอกฮะถ้าเราอยู่ในลมพุ่งอยู่กับลมเนี่ยเราจะไม่เกิดเลยเป็นอสังกตตาได้ฮะพระพุทธเจ้าก็พูดฮะจะไม่พูดพยายามที่จะคิดเนี่ยไม่ได้นอกตำราเลย สิ่งไงที่คุพี่เจ้าไม่สอนอยาพึ่งมาทำมันเสียเวลานะจำไวไปอ่านเลยไม่ว่าในพุทธพจน์พุทธวจนะนี่นะนะต้องหยุดคิดไม่ได้ถ้าหยุดคิดไม่ได้นะ่ะต้องกล้าเกี่ยวมันความคิดนี้มันเงินหมายที่เรืองไปหยุดทไหนมันก็คิดจริงไห เอาสมันก็ไปต้มนิจจ์ที่จริมันก็วิ่งไปรน่นไปนิ่งหมือนดีรันเนี่ยฮะข <laughs> ี่ว่ร้อยวันแล้ววัดดับใช่ไหมมันก็ว่าตรงนั้นจะดีตรงนี้ก็ดีมันก็เป็นตจิที่จริงไหมมามาคืแต่ถ้ามัานรักษาที่เลือนหายน่ะฮะอยู่ที่ไหนก็ไม่คันจริงไหมต้องคิดกันเหมือนกัน อ้ยสงบปล่อยสงบจากความคิดก็ไม่ได้สงบจับเลยหรอกฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ฮะฮะอยู่ที่ไหนก็สงบลงการเนี่ยนั่งอยู่นี่ก็ได้อยู่ตลอดตีถึงวันตายก็ได้อยู่อยู่ภาคใหญ่เนี่อยู่ภูเก็ตจริงจริงนะจุดที่ไหก็ได้เหมือนเดิมะ ใช่ใช่ใช่ใช enfin ่ใช่คิก็คือความคิดนี่แหละเข้าใจไหมคิดอย่างไรก็เห็นอย่างนั้นจริงไหมเห็นอย่างไรก็เชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างไรก็มาพูดอย่างนั้นมาพูดอย่างไรก็สันดานอย่างนั้นสันดานอย่างไงก็ชะตากรรมอย่างนั้นธรรมดาธรรมดาธรรมดามากจริงไหมธรรมดา ธรรมดาที่คนมาด่าหลงกาก็ธรรมดากูเกิดมาอะไรพบกไอชาติกูห้องด่าเข้าไว้มากนี่กันแหละต้องยอมรับมึงจะให้แต่คนมาแฉละเสร็เกันไม่ได้แม้แต่พู้ใเจ้าก็ตามอย่าเชื่อมันมากนักใช่ๆ่อย่าเชื่อมันมากนักนะ จำไว้นะออกจากความคิดเขาเป็นริมตุตถ้าอยู่ในความคิดก็เป็นสมมติฟังขนาดนั้นแหละลุงตาร่ ะ, อะตอนนี้มันเป็นอะไรมางละนอนอยู่กับผัวก็ไม่คิดถึงคนอื่นใช่ไหมถ้าเขารู้ความคิดมึงมึงเอ้ยไม่ว่าผัวก็เหมือนกัน เนี่ยไอ้คนหนึ่งอะลูกเศรษฐกูเนี่ยนะมันมีเมียหลายคนนะมันจะเรียกเมียมันคุณนายทุกคนเลยมันไม่เรียกชื่อกูมันเรียกชื่อผิดจริงจริงเนี่ยทุกคนมันเรียกคุณนายหมดคุณนายคุณนายอย่างนี้มันจำชื่อเนียมันไม่ได้เพรามันจะเรียกผิดแล้วมึงตายจริงๆริงมันก็เลยเรียกคุณนายนะ คนเราเน <Ja. S 2> ี um ่ยนะไม่มีอะไรเสียหายเท่าตัวเราเองหลอกตัวเราเองไม่มีใครทําลาวทําลายทร้ายเราได้บ่อยเท่าความคิดตัวเราเองจาไว้ตอนเพื่อนหรือญาติเราพูดมาอยากขึ้นมากนะไม่พอใจเขาน่ะนะอยากขึ้นมากนะไม่แน่มีทาง ความคิดที่ทำๆำสามสารถให้เราโยดยิ้ใจได้ผูกคอตายจกินตายได้เพราะความคิดเองผมยังบอกให้เพราะฉะนั้นการหยุดคิดการสิ้นคิดการพ้นออกจากความคิดตึ้งแต่งเนี่ยเรียกว่านิทานห ร, รืออักษรกระดาษจำไว้เพราะฉะนั้นอว่าจะลงแล้วนะเนี่ยเลยเลยเห็นไหม ไปหลายป้ายแล้วอาจารย์ว่าจะขออีกคำถามนึงครับเอ้าไม่ต้องขอเราทำอ่ะไหนๆก็ไหนๆครับคําถามสภาว่าครับคุณฟ้าวันใหมบอกว่าเหมือนมีไฟฟ้าสถิตในตัวดังฟลักแล้วกลายเป็นความร้อนแทนตรงแขนเลยครับอันนี้ผมสงสัยว่าเกิดจากอาณาปาณาสติหรือเกิดจากอย่างอื่นอาวิทยาศาสตร์ไม่ครับแต่ยืนยันว่าเกิดมายังไม่เคยเคยเป็นแบบนี้โอ้ยอันนี้คิด ไฟฟ้ามันเป็นพลังงานตัวหนึ่งถ้าผุดอนาตันก็ถูกนะโอ้ยมีพลังงานเยอะมากนะเดี๋ยวคนชอบเรียกว่าพลังกิตพลังอะไรกนะินไม่ใช่เป็นพลังงานอย่างเช่นมาจ่าที่เป็นไฟฟ้านะแต่ว่าไฟฟ้าก็ได้ที่วิ่งอยู่ในร่างกายเนี่ยบางทีเริมผ่านออกไฟนม่ดับเลยเดิมผ่านพัดลมไม่ดับเลย ไปจับเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ชอตหมดเสยอหายหมดนะบางทีเนี่ยเนี่ยเี่ยยังไม่ใช่เครื่อเนี่ยใครก็เห็นมองว่ามาจับขาเราเบิดตึ้งเลยชักกันเลยจิ๊ดๆนะขนาดเด็กๆพวกนี้มันจะเป็นขนาดไม้กูจะขนาดไหนวะ นั่งพูดกันอ่าอ่าจะไปนะขณเดียวกันี่ยังเช่นที่เจนอย่างนี้ที่จนมนๆเยเนี่ยกับมาเไมเล่นกันเลยนะจับกันนี่แสงออกยังกะมึนๆแสงสว่างว่ะวาววาถามกได้เลยจับตัวกันเนี่ย อันนั้นลอนบังคับเนยพอแล้วนะพอแล้วะเคกันมา